ยังก네ินหอดมือ hmm. น right. mm. so ีแล้ก็บ้างข้าวอยู่ข้าวข้างข้าวอยู่แต่ไม่ตาให้แต่เมอแต่เมื่ออยู่ให้ายโรคให้ภัจิตใจไม่ป่วยล้ปฏิบัติทำเยอะๆการปฏิบัติทำจิตใครก็ทาได้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำได้การทำจิตให้สงบสำคัญอยู่ที่จิต จิตสงบแล้วความสุขกดมาถ้าคิดวุนว่นวายความทุกข์ก็มาทุกข์อยู่ที่จิตส ท, ทุกข์อยู่ ท, ท, <ๆ S 2> ที่จิตแล้วจิตเป็นใหญ่ใจเป็นนายกายเป็นเบาถ้าทำเกิยรติดีแล้วก็ใจเข้มแข็งไปสู้กับโลกไฟใไข้เจ็บได้ ถ้าจิตกลอ่อนโรคไฟก็เจ็บกวแข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นต้องให้จิตแจกค่ะตามภาษาไทยเรว่าสู้นะต้องสู้ต่อไปต้องสู้ต่อไปต้องสู้ต่อไปอยู่นะช่ว <c> ย <oughs> ทางด้านจิตใจสู้ททางกายไม่ได้เราก็สู้จิตใจชู้ลบกับกิเลสตนาสวะก็คือนะเอาจิตใจสู้ความอดความทนควาเพียรความพยายามเน้นเข้า ม, มาที่สุข ที่ควาปล่อยวางถ้าไปยึดไปถือไปเป็นกังวลมากก็ยิ่งทุกข์มากเราปล่อยเราวางไปสำ น, นักที่ของทั้งขานร่าง ก, กายเป็นไปตามหน้าที่หน้าที่คือยังไงเกิดแล้วแก่เจ็บเจ็บเจ็บป่วยอนีนั้นสุดท้ายก็สุดสุดท้าก็จังแก่เจ็บตายแต่ใจไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถึงปลุมไม้ตายจากทิ้งธาตุทั้าทางขานไปแล้วใจก็ไปหาที่เกิดไหม ไป ต, ตามภพภูมิที่อยู่ปัจจุบันถ้าภพภูมิปัจจุบันดีก็ไปดีถ้าภพภูมิปัจจุบันกับทุกข์ก็ไปทุกข์อีกมาตั้งหาความสุขให้ใจถ้าใจมีความสุกขก็ไปสูงถ้าใจมีความทุกข์ไปต่ำํำ <c oughs> การประคองจิตใจมันถูงที่นี่ที่พระสงฆ์เสียธละก็มาปฏิบัติก็ปฏิบัติให้มันต่อเนื่องพระสงฆ์มันต่อเนื่องเกาะกันเกาะกันแต่ ว, ว่าจะโยมเกาะบ้ า, บางติดบ้างปล่อยบ้างติดบ้างปล่อยบ้างติดบ้างทําบ้าง ไม่ํา่สม่ำเสมอครมเป็นอยู่ของกระวัติยะโจมันจุกแต่พุทธเจ้าจุขสอนให้ออกงี้ <c oughs> อยากกลมวุ่นวายเราก็ไปอยู่ทั้งกรมสงบแต่วุ่นวายอยู่ก็ปล่อยออกไปเรื่องของโลกแต่เรื่องของธรรมะของพุทธเจ้าไม่มีวุ่นวายดูดูลมข้อออกดูลมข้ออกใครนะัดใครมีนัดที่จะดูตัวนี้ก็ทําได้ทุกคน <c oughs> ให้พยายามเน้นหนักทำจิตจิต เป็นของสำคัญ <c oughs> มนโนผู้ฟังก็มาตรรมมามนโนเจตถามนมโนมาจาทำตั้งหลายที่ทมนโนก็คือกิดยึดใจมนโนมนัด <c oughs> มาลงสุดท้ายเราก็ตัวใจตัวเดียวนั่นแหละใส่ด <c oughs> ำเอาใจคนทั้งโลกส่วนมากก็ไปเอาแต่กายดูแต่กายแต่งแต่กายรักษาแต่กายรักษาเท่าไหร่มันก็เป็นไ ป, น ป, นปนไม่ได้รนะ่างกาย ไม่ให้เท่ามันก็เท่ามาเนื้อแก่มันก็แก่ไม่เก็บมันก็เก็บพราะไม่ใช่ของเราเรายิมโลกไม่ใช่ขางก็ธาตุก่อนนี้มีดินมีน้ามีลมมีไฟธาตใจหรือผู้รู้ถ้ามีน้ามีลมมีไฟแต่มีใจก็เหมือนกับท้งโลกเขาอยู่นี่แหละดินมีน้ามีลมมีไฟไม่มีใจรล้ก็นี่ก็ะมูนไป อย่างนั้นแหละนเรื่องของธาตุก้อนนี้เหมือนกันเน่ยเรายืมไม่ใช่ไม่ใช่ของเราของคุณพ่อคุณแม่ได้คุณพ่อคนเดียวไม่มีธาตุก่อนนี่ได้คุณแม่คนเดียวไม่ได้ธาตุก้อนนี้ตอนนั้นว่าเป็นของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยถึงเวลาเขาก็เอาคืนเอาเวลานาคก็คืนไปเป็นดินธาตุดินไปเป็นดินธาตุน้ําไปเป็นน้ำธาตุลมไปเป็นลมธาตุไฟไปเป็นไฟ แต่ถ้าใจก็ไปแล้วถ้าไม่มีลมก็ไปแล้วนั่นเครื่องอยู่ของใจคือลมอานใจคือลมเครื่องรักษาใจคือลมถ้าไม่มีลมใจก็ป น, นี้แล้วอ้อนนี่ก็ตั้งแต่วันเด่นจะเผาจิ้มถมทิ้งป็นโลกนี่แล้ว <c oughs> แลวเข้าใจจุด น, นี้อมาก็ไม่มีอะไรมาให้เข้าใจเรื่องจิตใจจิตใจไม่ป่วย เอาใจดูลมเข้าลมออกเรื่องดูของใจใจไม่ยู่ที่ดูเห็นลมก็มันก็ปล่อยวางไปหมดนควานเก็บความปวดมันก็ปล่อยวางไปเรื่องของโลภความสุขคนทุกข์โลภมันก็ติ่งไปมันก็เอาแต่ความสุขของลมเห็นลมก็มีความสุขเห็นร่ารวยเห็นสวยงามมีแต่ความทุกข์ร่ำรวยก็เกือบความทุกข์พรเกิดความอยากสวยงามก็เกิดความทุกข์เพราเกิดความอยากอยากความรวยอยากสวยงาม ถาลมไม่อยาดนะ <c oughs> ลมเข้าลมบอกอะไรมันจะสงบสุขที่สุดคือลมเนี่ยผ้าอยู่สุขที่สุดก็คือลมนะัม่นอาหารใจไม่ได้ซื้อไม่ได้เคี่ยว <c oughs> ไม่ได้แตง่งไม่ได้ต้มไม่ทาอะไรนะดูลมเย็นเข้าเดินออกเย็นเข้าเดินรอกไม่มีอะไรก็ปล่อยเรื่องของออไปแคเจ็บมันจะเป็นอะไรไม่คิดอยากก็เจ็บไปเพราะหน้าที่มันเกิดมาแล้วก็ต้องเจ็บ แลมาดูลมอย่างเดียวลมไม่แก่ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ตาย <c oughs> ให้ดูจุดนี้นะมันกุศตรงปกป้องคุ้มครองมันกุศลหลงปู่ลงพ่อคุณพระพุทธเจ้าพระธรมระสงฆ์และสิ่งศัดสิทธิราใจงมาปกป้องคุ้มครองอกุศลได้รวมทุกร้า น, น, นาให้ทุกข์ให้โศกให้โรคให้ภัยกัตนาจึงหนึ่งอะไรจงสาเร็จจงสาเร็จโดยเฉพาะใน ห, หลักธรรมสั่งสอนของพรุทธเจ้าพอดูลม้มเข้าลมออกแล้วนะให้ดวงจิต ด, ดวงใจใดงจินเทศรม He said that <clears throat> your mind is the most important. The mind is more important. Um, your self have two parts: physical body and your mind. So, if, if your mind strong enough, that can fight all the disease. So, if you, you can can to make your mind strong, you can do meditation by observing your breathing in, breathing out. So when you calm your mind, have your mind peaceful. So um, if you, eventually if you can, you cannot fight, but you can prepare for to, to to let go. If you want to to, you can let go your physical body. If your mind is strong enough, you can go to a better place. So that's why he u r g e you to do meditation at least uh, every day, just to calm your mind, have your mind peaceful. That you can that can fight all the d i s e a t e with that. <coughs> oh, I know. I understand. c t r